ตอนนี้ก็มีคณะผู้ปฏิบัติจากโรงพยาบาลเสาวให้นะมาสมทบอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อวานนักเรียนครูจากโรงเรียนลุงอรุณก็มาอาตมาก็กล่าวต้อนรับนะดยการพูดถึงข้อความบนแผ่นหินที่เคยมีอยู่ที่วัดนะเมื่อ20กว่าปีก่อนนะ ข้อความนั้นก็คือว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้านะมีแต่มิธฉเพ่งรู้จักอันนี้ก็เอามาใช้ต้อนรับคนะณะจากสาวให้ได้เหมือนกันมิธฉเพึงรู้จักนะที่พวกเราจะพบก็มีอยู่มากหน้าหลายตาอย่างที่บอกไว้เมื่อวานก็คือนะมีพระมีแม่ชีนะ สา ม, มเณรนี้ก็ศึกไปแล้วเมื่อเช้านะก็มีนักปฏิบัติรวมทั้งธรรมชาติสิ่งสาราศัสตร์ทั้งหลายก็ล้วแล้วแต่เป็นมิตรของพวกเราแต่ว่ามิตรที่เพิ่งรู้จักไม่ได้มีเท่านี้นะที่เมื่อวานนี้ไม่ได้พูดก็ถือว่ามาพูดเพิ่มเติมในเย็นนี้นะมิตรที่เพิ่งรู้จัก ซึ่งเราจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้ก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับตัวเองเท่าไหร่เกิดอาการแปลกแยกภาษาสมัยใหม่แปลกแยกหรือว่าเหินห่างหมังเมินกับตัวเองน อาการที่แสดงออกก็คือเวลาอยู่กับตัวเองก็จะกระสับกระส่ายถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเพื่อนคุยนะไม่มีโทรทัศน์ไม่มี อ, อินเทอร์เน็ตไม่มีหนังสือนะแม้จะอยู่ในบ้านคนเป็นบ้านของตัวเองก็ตามหรือว่าอยู่ในห้องพักโรงแรมที่หรูแต่ถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็ กระสับกระส่ายกระวนกระวายนะอยากจะออกไปเจอผู้คนอยากจะออกไปทำโน่นะทำ น, น, ทำนี่หรือไปเที่ยวห้างอันนี้มันเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการที่ไม่เป็นมิกรตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้การมาปฏิบัติธรรมนะอย่างที่เราจะทำกันนะหรือที่กำลังทำอยู่เนี่ย ก็คือเพื่อให้เรามาเป็นมิตรกับตัวเองให้เรารักตัวเราเองอย่างแท้จริงนะมีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองเอาคนเราถ้ามีมิตรเป็นมิตรกับตัวเองแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้จักคําว่างเงานะเพราะอย่าง น, น้อยก็มีเงาเป็นเพื่อนนะแต่ถึงไม่มีเงานะมีตัวเรานะก็อยู่อย่างมีความสุขได้ น, ะนี่แหละมิตรที่เราอาจจะ นึไม่ถึงว่าเป็นมิตรของเราหรือว่าเป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักนะแต่บางคนมาแล้วก็ไม่พบมิตรอันนี้ก็มีนะเพราะว่าไม่มีความอดทนเพียงพอการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับตัวเองเป็นมิตรกับตัวเองนี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรียกว่า ศิลปะหรือว่ากุญแจสําคัญนะของการที่จะมีความสุขถ้าเราไม่สามารถเป็นมิตรกับตัวเองได้ไม่สามารถจะรักตัวเองได้แท้จริงเราก็ไม่สามารถจะรักใครได้เลยอย่างแท้จริงไอ้ที่คิดว่ารักรักๆักกนะที่จริงมันก็เป็นแค่ความใคร่หรือว่าเป็นการาผูกพันเพื่อสนองประโยชน์ปลนเป ล, ปลืตนเท่านั้นเอง ซึ่งก็มักจะเปราะบางไม่ยั่งยืนพรุทธเจ้าเคยตรัสรู้พระอานนท์ว่าจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนะอันนี้ก็มีความหมายเดียวกันนะคือถ้าเรามีตนเป็นเกาะเกาะในที่นี้คือเกาะกลางทะเลนะเพราะว่าเกาะเนี่ยมันมีความหมายถึงการที่ปลอดภัย แม้ว่าจะมีอันตรายอยู่รอบตัวแต่ว่าถ้าใครอยู่เกาะก็ถัอว่าปลอดภัยเมื่อใดก็ตามที่เรามีตนเป็นเกาะเมื่อใดก็ตนเมื่อใดก็ตามที่เรามีตนเป็นที่พึ่งนะก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเป็นทุกข์ไดนะ้ความหมายนี้ก็ก็มีความหมายเดียวกับนะการมีการมีตนเองเป็นมิตรหรือว่าการเป็นมิตรกับตนเองอซึ่งก็ นำพาพวกเรามาที่นี่แต่ว่าการมาปฏิบัติที่นี่นะมันก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความภาพเพียรพยายามนะนักเรียนรุ่นรุนะ่นวันนี้ก็เป็นมาที่สองนะที่มาปฏิบัติอยู่ที่นี่ตลอดวันที่ผ่านมาก็หลายคนก็ จ, จะรู้สึกว่ามันนะไม่สบาย หรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกทุกข์ทรมานด้วยซ้ำ น, นะอันนี้ก็เป็นอาการนะของการที่ยังไม่เป็นมิตรกับตัวเองยังเหินห่างหมังเมือนกับตัวเองอยู่ยังไม่มีสันติกับตัวเองพูดง่ายๆ่านะแต่ว่ามันเป็นธรรมดานะถ้าเราไม่ท้อถอยเราก็จะสามารถผ่านช่วงที่กระสับกระส่ายทุรนทุรายไปได้ ให้ลองพิจารณานะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ประเภทไหนกันแน่ <Yeah. S 1> ทุกข์กายหรือเปล่า yeah. ที่จริงอาจจะถึงแม้วันจะที่นี่ไม่สบายเท่ากับที่บ้านของเราหรือที่โรงเรียนของเราแต่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ทางกายให้กับเรามากเท่าไหร่นะจะมีก็แต่อากาศที่ร้อนหรือว่าความปวดความเมื่อยที่ต้องนั่งนานๆหรือว่าต้องเดิน พราการปฏิบัติแต่ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะเพราะว่าพวกเรานะหลายคนบางทีก็เวลาไปเที่ยวนะตามชายทะเลนะก็ตากแดดเหมือนกันนะหรือว่าเวลาเล่นกีฬาเราอาจจะเหนื่อยยิ่งกว่า น, นี้อาจจะปวดเมื่อยยิ่งกว่า น, นี้แต่ว่าทำไมเราไม่บน่น เวลาเราไปเดินตากแดดริมทะเลหรือว่าไปเดินตากแดดขณะทีะ่ไปช้อปปิ้งหรือว่าปวดเมื่อยเพราะว่าเล่นกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้ า, าว่าความทุกขหรือว่าทรมานเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะทุกข์กายหรอกนะมันเป็นเพราะความทุกข์ใจแล้วลองถามตัวเองสักหน่อยว่าทุกข์ใจเพราะอะไรนะ มันทุกข์ใจก็เพราะความคิดของเราเนะ่ะนะเช่นพอไปนึกถึงความสะดวกสบายที่บ้านหรือว่านึกถึงว่า เ, ออเพื่อนคนอื่นเขาได้ไปเที่ยวได้ไปกินของอร่อยนะแค่คิดแค่นี้เราก็ทุกข์แล้วการมาอยู่วัดก็กลายเป็นเหมือนกับว่าขังคุกติดคุกขึ้นมาทันทีเป็นเพราะความคิดของเรานะ หรือว่าบางคนก็มาถึงนี่ก็นับวันละนับวันว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้านตลอดทั้งวันก็นึกแต่ว่าเมื่อไรจะถึงนะเมื่อไหรจะได้กลับบ้านเมื่อไหรจะเสร็จสักทีเมื่อไหรจะเสร็จสักทีเพียงคิดแค่นี้นะก็ทําให้ใจเราทุกข์แล้วเหมือนเวลาเราเดินทางนะถ้าเราทันทีที่เราคิดว่าเมื่อไหรจะถึงสักทีเมื่อไรจะถึงสักทีเนี่ย เราหงุดหงิดเราเครียดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะคือถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกขนะ์เวลารถติดเนี่ยรถติดบางทีติดเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่านานกว่า น, นั้นหลายคนก็เครียดนะหงุดหงิดเพราะว่าในใจเนี่ยมันคิดแต่ว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงหรือไม่คิดต่อไปว่าถ้าเกิดไปถึงที่หมายช้า จะผิดน้ากับเพื่อนหรือว่าจะไปโรงเรียนไม่ทันแล้วเดี๋ยวอะไรจะตามมาเนี่ยพอคิดแบบนี้เข้าทุกเลยเราเคยสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยรถติดนานๆเนี่ยแต่เราไม่ทุกข์ใจเลยพอตอนนั้นเนี่ยเราไปเราไปเพลินไปคิดเรื่องอื่นแทนหรือว่าเราอะกำลังคุยกับเพื่อนสนุกสนานคุยกับพ่อแม่พอคุยเพลินก็เลยไม่ได้คิดว่าไม่มีความคิดในใจว่าเออเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึง รถติดไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าใจเนี่ยของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปอยู่กับอนาคตนะเวลาที่เรานึกถึงว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนั่นแหละนั่นคือการที่ใจไปอยู่กับอนาคตแล้วซึ่งเป็นที่มางความทุกข์นะอย่างที่เราสวยเมื่อสักครู่เนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระอง์ถึงสิ่งเที่ยงมาไม่ถึงสิ่งเที่ยงมาไม่ถึงก็คืออนาคต ถ้าเราไปนึกถึงมันด้วยความพววงนะเราทุกเลยเช่นเดียวกับเวลาเรานึกถึงอดีตถ้าเรานึกด้วยความอะไรนะเราไม่ได้นึกเพราะการไข้ครวนเวลานึกถึงอดีตเนี่ยมันมีสองอย่างนะนึกด้วยสติพิจารณาถึงอดีตที่ผ่านมานเช่นวันสิ้นปีวันปีใหม่แล้วก็ทบทวนหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรดีบ้างอะไรที่เราควรปรับปรุงมั่งย้อนเราลึกถึง ขวบปีที่ผ่านมาอแบบนี้ดีนะเพราะเราคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาแต่ถ้าเราเกิดอาการร้องห้หานะอย่างทีง่อาจจะอาจจะเกิดขึ้นกับเราในช่วงวันที่ผ่านมานะนึกถึงโทรศัพท์ที่หายนึกถึงเพื่อนที่เขาต่อว่าเรานะนึกถึงการสูญเสียนะหมาที่รักนะหมาน่ารักนี่ ตายจากเราไป3เดือนแล้ว1ปีแล้วนึกถึงก็เสียใจอะไรนะอันนั้นเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นการนึกถึงอดีตด้วยสติด้วยปัญญานะแต่ว่ามันทําด้วยความหลงก็ทําให้เกิดความเสียใจเกิดความอาลัยอาวรณ์ขึ้นมาก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราทุกข์เมื่อไรเนี่ยก็แสดงว่าเราทุกข์เพราะความคิดนะคิดไปอดีตบ้างคิดไปอนาคตบ้าง ไ้ความคิดตัวนี้แหละนะที่มันทําให้เราทุกข์อาจจะตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้ก็ได้ถ้าเราไม่คิดก็ไม่ทุกข์นะเหมือนกับเรานอนที่นี่นะกลางคืนเนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องผีนะมันก็นอนหลับสบายนะแต่พอคิดถึงผีเมื่อไรหรือคิดถึงสัตว์ร้ายนะ ที่อยู่ในห้องน้ําอาจจะอยู่ในห้องน้ำนะไม่ต้องไม่ต้องงูนะเอาแค่ตุ๊กแกก็พอนะจะเห้องน้ำแล้วนึกว่าเดี๋ยวเกิดมีตุ๊กแกอยู่ในห้องน้ําเนี่ยโอ้โหมันกลัวขึ้นมาทันทีตุ๊กแกมีรู้ป่าไม่รู้นะแต่กลัวซะแล้วกลัวเพราะอะไรกลัวเพราะความคิดนะหรือจะออกมาข้างนอกก็ไม่กล้าออกเพราะปรุงแต่งไปว่าเดี๋ยวจะมีผีนะ แค่คิดนี่ก็กลัวแล้วผีมันไม่มีนะแต่กลัวเพราะอะไรเพราะความคิดปรุงแต่งถึงเรียกว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดและที่พวกเราทุกข์กันขณะที่อยู่วัดนะมันไม่ใช่เพราะทุกกายนะมันทุกข์ใจก็เพราะความคิดนี่แหละถ้าเรารู้จักควบคุมกํากับความคิดนะ มันก็ไม่ทำให้เราทุกข์นะการที่เรารู้จักนะปลูกใจนะให้ให้เป็นบวกก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์ได้มีพู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าเขาเล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันวันเสาร์นะเดือนเมษาพฤษภาเนี่แหละในกรุงเทพนะ ตอนบ่ายๆเนี่ยอากาศมันร้อนมากมันร้อนจนกระทั่งเขานี่ต้องไปไปเก็บไปหลบตัวอยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์เต็มที่เลยนะก็ยังรู้สึกว่าอ้าวเลยนะก็อยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งนะบ่ายๆก็บอกว่าได้ยินเสียงไปรายีย์เรียกที่แรกไปบุกปรายีาย์กดกริ่งก่อนนะพอเขาได้ยินเนี่ย เขาสึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันหมายความว่าเขาต้องไปรับจดหมายไปรับสิ่งตีพิมพ์ไปรับพัสดุซึ่งต้องออกจากห้องแอร์ต้องไปเจออากาศร้อนต้องไปเจอแดดเขาไม่อยากออกเพราะมันร้อนเขาก็เลยทําเป็นไม่สนใจแต่บุริษรษณีเนี่ยก็ยังรออยู่ทําไมถึงรอเพราะบุริษรษณีเนี่ยรู้ว่าในบ้านมีคนอยู่นะ มันมีการเปิดเครื่องเปิดแอร์นะเสียงดังแล้วก็มีรถจอดอยู่ในบ้านเขากร็รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเขาก็เลยรอแดดเปรีป้ยงๆไงนะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็ไม่ได้รอเปล่ า, าๆเขาร้องเพลงไปด้วยเจ้าของบ้านเนี่ยพอเราได้ยินบุตรประสานีร้องเพลงก็รู้ว่าเขาคงจะรอจนจะไม่ไปไหนนะจนกว่าเราจะมารับ จดหมายก็เลยจำเป็นต้องออกเป็นระับนะออกจากห้องแอร์นะมันก็อ้าวนะแล้วก็ดนไปที่ประตูบ้างก็เจอแดดเขาก็รับจดหมายนั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยพอใจแล้วก็พูดกับบุรุษไปสนีว่าเนี่ยอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยยังมีอารมณ์ร้องเพลงเหรอมันมีน้ำเสียงตำหนินะหรือว่าประชดประชันเล็กน้อย หลนปรัคนนั้นเนี่ยนะหลังเนี่ยนะเรียกว่าโชคไปด้วยเหงื่อเลยนะแต่ว่าแกอารมณ์ดีแกยิ้มแล้วแกก็พูดว่าเนี่ยอากาศร้อนนะฮะแต่ว่าร้องเพลงทำให้ผมใจเย็นนะโลกร้อนแต่ใจเย็นครับนะถ้าใจเย็นแล้วมันก็เหมือนว่าไม่ร้อนนะเขาพูดเสร็จเขาก็ ไปที่บ้านอื่นนะขับรถไปที่ไปส่งจดหมายที่อื่นต่อสองคนนะคนหนึ่งอยู่ในห้องแอร์นะแต่ว่าหงุดหงิดเพราะความร้อนแต่คนหนึ่งนะอยู่กลางแดดนะแต่ว่าร้อนแต่กายนะใจเขาไม่ได้ร้อนด้วยเพราะอะไรเขารู้วิธีปลุกใจให้ให้เย็นนะด้วยการร้องเพลงนะโรคร้อน แต่ว่าถ้าใจเย็นนะมันก็เย็นครับมันเป็นเรื่องของใจนะมันเป็นเรื่องของใจแท้ๆเลยกายร้อนเนี่ยแต่พัาใจไม่ร้อนตามเนี่ยนะหรือว่าใจเนี่ยกลับเป็นสุขนะก็สามารถที่จะอยู่กับอากาศร้อนๆได้นะนเรื่องใจนี่สำคัญมากนะ ดังนั้นที่เราที่เราทุกข์อยู่เนี่ยนะที่เราทุกข์อยู่เนี่ยนะต้องให้เราลองพิจารณาว่ามันทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจนี่เป็นเพราะความคิดของเราหรือเปล่าความคิดนี่มันทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดรู้สึกลําคาลรู้สึกกระวนกระวายนะได้บอกไว้ตั้งแต่นะวันก่อน2วันก่อนแล้วนะสำหรับกลุ่มที่มาตั้งแต่วันซืนว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะความคิดของเราเนี่ยคนสมัยเนี่ยคิดเก่งคิดไวแต่ว่าถ้าไม่รู้ทันความคิดนะมันก็สามารถจะทำให้เราทุกข์หรือนำความทุกข์มาใส่ใจของเราได้คนเราเนี่ยเราปรุงแต่งความคิดขึ้นมานะเพื่อใช้แก้ปัญหานะ เวลาเจอปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยความคิดในการแก้นะเช่นเจ็บป่วยนะก็ต้องคิดแล้วเออจะรักษาตัวอย่างไรหรือว่าท่อน้ําแตกนะรถเสียก็ต้องใช้ความคิดแล้วเออนะจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ความคิดนี้มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักกํากับควบคุมความคิดนะมันก็ สามารถจะสร้างปัญหาให้กับเราได้แทนที่จะแก้ปัญหาให้เรานะมันสร้างปัญหาให้เราหลวงพ่อคำเขียนนั้นเคยเล่านะประมาณสักยี่สบสาสิปีก่อนเนี่ยวันหนึ่งก็มีพระบวชใหม่มาพี่ชายพามาให้มาปฏิบัติกับท่านตอนนั้นท่านอยู่ท่ามาไฟหวาน พระที่บวชใหม่นี่หน้าตาไม่สะเบยเลยนะพี่ชายพามาส่งแล้วพี่ชายก็กลับหลวงพ่อท่านก็แนก็แนะนำให้พระบวชใหม่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นหนุ่มรนาะชการให้เจริญสตินะสร้างจังหวะเดินจงกรมวันที่สองเนี่ยแค่วันที่สองเท่านั้นนะ ก, ก็มาหาหลวงพ่อนะ ตอนบายบายบอกว่าเขาจะมาขอศึกเขาบอกว่าเนี่ยละปากเขาลับปากพี่ชายมาบวชนะตอนนี้เขาก็บวชแล้วเขาบวชเนี่ยไม่ได้ต้องการมาปฏิบัติตอนนี้บวชแล้วแล้วก็จะมาขอศึกเพราะเขาไม่ได้มาปฏิบัตินะหลวงพ่อก็ไม่ศึกให้ ก็ให้เขาไปปฏิบัติต่อเขาหายไปสักครู่ใหญ่นะแล้วกลับมาอยู่นะยืนกลางจะขอศึกนะหลวงพ่อคำเขียนก็ไม่ยอมนะไม่ยอมศึกให้นะเขาก็บอกเนี่ยที่มาบวชเนะี่ยพ่อพี่ชายนะไม่ได้ตั้งใจจะมาบวชเองนะตอนนี้ก็บวช นะตามที่ระบปาพี่ชายแล้วถึงเวลาก็จะขอศึกแล้วหลวงพ่อไม่ยอมว่าให้เขาไปปฏิบัติต่อไม่ถึงชั่วโมงเขากลับมาอีกนะรอบๆหลวงพ่อจะศึกให้ได้คราวนี้หลวงพ่อคำเขียนก็เลยถามว่าอะไรทำให้ท่านมาหาผมเขาก็อึ้งสักพักแล้วนึกสักหน่อยแล้วเขาบอกว่าความคิดครับความคิดนะ พาเขามาหาหลวงพ่อคือจะมาขอสึกกันนะหลวงพ่อก็ถามก็เลยถามตอบเขาตอบไปว่าเนี่ยเมื่อมีความคิดแล้วเนี่ยมันคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องทำตามความคิดทุกอย่างเหรอคนเราเนี่ยถ้าทำตามความคิดทุกอย่างเนี่ยมันไม่แย่หรือนะแล้วหลวงพ่อก็ให้เขาไปปฏิบัติใหม่นะไม่ยอมสึกให้พรลูกเขาไม่พอใจนะ น่ายพอใจมากๆเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเช้าตรูเนี่ยหลวงพ่อก็เดินมาที่สาราเนี่พอก็เห็นหลวงพ่อก็รีบมาเลยนะแต่ครั้นี้ไม่ได้มาขอศึกนะกลับมากลับกราบแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะที่ทักท้วงเขาทีา่ไม่ศึกให้เขาเขาบอกว่าเนี่ยถ้ า, าก็ศึกเมื่อวานนี่เนี่ยเขาก็คงจะเป็นฆาตกรไปละ เพราะว่าเขาตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยหรือว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดแต่จะหาทางไปฆ่าคนสองคนเข้าจว่าเป็นแฟนนะกับชูเนี่ยนะเขาก็วางแผนเลยนะจะหาปืนจากไหนนะฆ่าเสร็จยิงเสร็จนี่จะไปหลบซ่อนตัวที่ไหนคิดแต่เรื่องนี้แหละจึงมาขอศึกนะ แต่ว่าพอหลวงพ่อทักท้วงเข้าไปเขาก็เลยได้สตินะกลับมาคิดแล้วเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยถ้าเ็าทำตามที่เขาคิดเนี่ยมันแย่แน่ๆเลยนอกจากฆ่าคนตายแล้วตัวเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยก็เลยมาขอบคุณหลวงพ่อที่ทักท้วงเขาทำให้เขาได้คิดตกลงเขาก็ไม่ศึกนะแล้วก็บวชอยู่อีกนานทีเดีดเป็นสิบปีนะเฮ้ยเห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยนะ ถ้าเราทําตามความคิดทุกอย่างเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยนะก็คงจะเข้าแล้วเข้าพงไปได้ไง่ายๆเหมือนกันพวกเราอาจจะไม่ถึงกับว่าจะไปคิดฆ่าใครนะแต่ว่าอาจจะคิดไปดา่าไปทําร้ายนะเพราะมันต้องการแก้แค้นหรือว่าเพราะกโกรธคนเราเวลากโกรธเนี่ยนะมันก็สรรหา วิธีการต่างๆในการที่จะระบายความโกรธหรือว่าแก้แค้นตอบโต้และถ้าเราทำตามความคิดทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นบางทีเราเห็นของเพื่อนเราก็อยากได้นะและบางคำก็มีความคิดแว บ, บขึ้นมานะว่าอยากจะขโมยนะถ้าเกิดเราทาตามความคิดนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเวลาเราสอบเนี่ย แล้วนไม่ออกนะตอบไม่ได้เนี่ยเห็นเพื่อนข้างหน้าเนี่ยนะเขารู้สึกว่าตอบข้อสอบได้สบายมากเลยสะดวกโยทินมากความคิดหนึ่งก็จะแว บ, บขึ้นมาเลยว่าเอยอยากจะลอกข้อสอบอยากอยากจะลอกคําตอบของเขาแล้วถ้าเราทําอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งความคิดเนี่ยมันก็แรงมากจนกระทั่งนะ มันก็ชักพาเราไปทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังความคิดหรืออารมณ์บางอย่างนะเกิดขึ้นมาทำให้เราอยากจะต่อว่าพ่อแม่เจ้าเกิดเราทำตามความคิดทำตามอารมณ์เกิดอะไรขึ้นแต่สมัยนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักทักท้วงความคิดเท่าไหร่เราเชื่อความคิดได้ง่ายนะเพราะว่านะเราคิดเก่งคิดไว แล้วเราแต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้สร้างคุณสมบัติอย่างหนึ่งให้ขึ้นมาก็คือสิ่งที่จะมาช่วยทักท้วงความคิดอะไรคือสิ่งที่จะช่วยทักท้วงความคิดคือสตินะสติมันทําให้เราทักท้วงไม่หลงเชื่อความคิดไม่หลงทำตามอารมณ์อารมณ์เนี่นะพอมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็สามารถจะสรรหาเหตุผลต่างๆมาเพื่อทําให้เราเนี่ยคล้อยตามมันได้ง่ายๆนะ เคยดีเรื่องนี้หรือเปล่านะคนที่ผู้ชายคนนึงแกติดเหล้ามากเลยแล้วก็แกก็อยากจะเลิกเหล้าเวลาถึงวันปีใหม่ก็ตั้งใจว่าจะเลิกเหล้าให้ได้ภายในปีนี้แล้วก็เลิกไม่ได้สักทีที่มันเลิกไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ร้านเหล้าเนี่ยนะมันอยู่ตรงกลางทางเนี่ยเวลาเขากลับบ้านเนี่ยจากที่ทํางานเขาเดินกลับบ้านเนี่ยมันต้องผ่านร้านเหล้าเสร็จแล้วก็อดใจไม่ได้นะ เราคงเคยได้ยินคาว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ก็รู้ว่าเล่าไม่ดีนะทำให้เสียสุขภาพทำให้งานการาไม่ก้าวหน้านะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับครอบในครอบครัวแล้วเขาก็ทุกข์มากนะอยากจะเลิกแต่มันเลิกไม่ได้สักทีเดินผ่านร้านเหล้าทีไรก็ต้องนะ่ายแพ้ต่อกินเลย แล้ววันหนึ่งเขาตั้งใจว่าเนี่ยนะหลังจากที่ไปทะเลาะ ก, กับเมียมานะแล้วก็ไปทําร้ายเมียแล้วก็เสียใจภายหลังก็คิดว่าเนี่ยจะต้องเลิกเล่าให้ได้ถึงกับสาบานหรือวัสบดบทกับตัวเองว่าถ้าวันนี้ถ้าเลิกไม่ได้กูเป็นหมาดีกว่าถ้าเลิกไม่ได้กูเป็นหมาดีกว่านีพูดกับตัวเองขนาดนี้แล้วก็ตั้งใจมั่นนะตั้งใจตั้งแต่เช้าเลยนะพอถึงเวลา เลิกงานนะห้าโมงเย็นเขาก็เดินกลับบ้านระหว่างที่มุ่งหน้าไปไปทางร้านเหล้าเนี่ยเขาก็ตั้งใจได้เนี่ยวันนี้ต้องเลิกให้ได้เลิกให้ได้กูต้องเลิกให้ได้เลิกไม่ได้กูเป็นหมาแต่พอเข้าใกล้ร้านเหล้าเนี่ยนะเริ่มเปรี้ยวปากแล้วมันชักอยากจะไปกินเหล้าแต่ก็หักห้ามใจตัวเองพอเดินถึงร้านเหล้านะได้ยินเสียงกรุงกิงเนี่ยเสียงแก้กระทบกันมันอยากจะกินเหล้ามาก ก็ทํำท่าจะเดินเข้าไปร้านเราแต่เสร็จแล้วก็เบรกห้ามตัวเองไว้ได้เดินไปได้อีกสักเก้าสก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนะเพื่อนในร<ม>้านเรานี่แหละเรียกชวนไปกินเหล้าปกติเนี่ยเขาเดินนะจะเรียกเข้าร้านเหล้าเลยนะเสร็จแล้วก็รู้ทันเรียกว่ารู้ตัวห้ามใจเอาไว้แต่ในใจนิ่ก็มีการเถียงกันนะว่าเฮ้ยเพื่อนชวนนะปฏิเสธเขามันน่าเกลียดนะยังไงก็ ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก็แล้ว ก, กันนะพรุ่งนี้เลิกแน่ๆนะคิดแบบนี้ก็ก็จะเดินเข้าร้านเหล้าแต่ก็ห้ามเอาไว้ได้นะในความสึกเขาเนี่ยร้านเหล้ามันแค่คูหาเดียวนะแต่มันยาวมันรู้สึกมันไกลมากเลยมันกว้างมากเลยเดินจริงๆก็แค่ไม่กี่วินาทีก็ผ่านนะแต่ตอนนับสึบมันน า, นานเป็นชั่วโมงเลยแต่สุดท้ายเขาก็ห้ามใจได้สาเร็จนะ พอเขาเดินผ่าร้านเหล้าได้เนี่ยโหเขามีเขาดีใจมากเลยมีความสุขมากที่ครั้งนี้เอาชนะกิเลสได้เสร็จแล้วก็มีความคิดหนึ่งแว บ, บขึ้นมาเฮ้ยนั่นเราไปฉลองชัยชนะดีกว่าแล้วก็เดินเลี้ยวกับเขา้าร้านเหล้าเลยนะฉลองชัยชนะเนี่นะกิเลสมันบอกไปฉลองชัยชนะไปชนะไปฉลองที่ไหนร้านเหล้ า, เ, ลานะเนี่ยคนเราเนี่ทําไม่รู้ทันความคิดนะมันก็เสร็จนะเสร็จกิเลสนะนะ เพราะความคิดหลายอย่างมันก็เป็นมันก็เป็นการปรุงแต่งของกิเลสมันจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อให้เราคล้อยตามมันเพราะฉั้นถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะเชื่อนะจะเชื่อความคิดแล้วก็หลงกลอุบายของกิเลสนะกิเลสนะ่าจะเป็นตัวตันหาโลภอยากเล่าอยากกินเหล้าอยากเที่ยวนะอยากสนุกอยากซื้ออยากชอบ หรือจะเป็นความโกรธนะซึ่งมันก็ร้ายร้ายพอๆกันทั้งนั้นแหละฉั้นลองสังเกตดูนะที่เราปฏิบัติมาตลอดวันที่ผ่านมาหรือว่าที่จะปฏิบัติต่อไปเนี่ยลองสังเกตดูใจของเราว่านะถูกความคิดมันหลอกไปกี่ครั้งแล้วนะมันหลอกพาเราเตลดเิดเปิดเปิงไปเสร็จแล้ว ก็ลงเอยด้วยความทุกข์รู้สึกกระสับกระส่ายกับการที่ต้องมาอยู่ที่วัดรู้สึกทรมานกับการที่ต้องมาปฏิบัตินะีมันพยายามลอ่อหลอกนะพยายามก่อกวนพยายามรังควานเพื่อให้เราเลิกปฏิบัติให้ได้แม้กระทั่งมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาว่ามาปฏิบัติทําไมนะเรายังหนุม่มยังสาวเรายังเด็กนะไม่เห็นจําเป็นเลยคนหนึ่งเขาไม่ปฏิบัติเขาก็มีความสุขธรรมแล้วก็ต้องมาปฏิบัติ ด, ด้วย ปฏิบัติมันก็ดีมันกันนะแต่ว่าเอาไว้แก่แล้วค่อยมาปฏิบัติดีกว่านะมันจะมีความคิดแบบนี้หลอกล่อให้เราเนี่ยนะเลิกปฏิบัติหรือว่าให้เราเนี่ยนะคลายความเพียรอย่าไปหลงเชื่อมันนะอย่าไปหลงเชื่อมันรวมทั้งความคิดว่าเอ้ยเมื่อไรจะเมื่อไรจะกลับบ้านเมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไรจะถึงวันที่1 6บ7จะได้กลับนะอันนี้ก็เป็นอุบายของมันเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยเลิกปฏิบัติเราก็อย่าลงเชื่อ แต่ว่าใหม่ๆนะก็คงจะมีไอความคิดแบบนี้แหละที่มาหลอกมาล่อมามากวนมารังควานเราดัางั้นคนที่รู้จักตัวเองรู้ทันความคิดนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยแม้กระทั่งความคิดก็ต้องรู้จักทักท้วง ม, มันบ้างสติสําคัญมากในที่จะทําให้เรารู้ทันทั้งความคิดแล้วก็ความไม่ไปตกเป็นทาาของมันเอาละคำนี้ก็เพิเ่งทนี้นะอ้ากราบพระ